พระบัญญัติ716ก็ภิกษุณีใดถูกตัดสินให้แพ้คดีในที่ก่อนหนึ่งโกรธไม่พอใจจึงกล่าวอย่างนี้ว่าพวกภิกษุณีลำเอียงเพราะชอบพวกภิกษุณีลำเอียงเพราะชังพวกภิกษุณีลำเอียงเพราะหลงและพวกภิกษุณีลำเอียงเพราะกลัวภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงว่ากล่าวตักเตือนอย่างนี้ว่าแม่เจ้า ท่านเมื่อถูกตัดสินให้แพ้คดีในอาทีตก่อหนึ่งโกรธไม่พอใจก็อย่าได้กล่าวอย่างนี้ว่าพวกภิกษุณีลำเอียงเพราะชอบพวกภิกษุณีลำเอียงเพราะชังพวกภิกษุณีลำเอียงเพราะหลงและพวกภิกษุณีลำเอียงเพราะกลัวแม่เจ้าเองก็ยังลำเอียงเพราะชอบบ้างลำเอียงเพราะชังบ้างลำเอียงเพราะหลงบ้างลำเอียงเพราะกลัวบ้าง ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนอยู่อย่างนี้ก็ยังยืนยันอยู่อย่างนั้นภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงสวดสมนุภาพจนครบสามครั้งเพื่อให้สละเรื่องนั้นถ้าเธอกำลังถูกสวดสมนุภาพกว่าจะครบสามครั้งสละเรื่องนั้นได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สละแม้ภิกษุณีนี้ก็ต้องทาคือสังฆาทิเศษที่ชื่อว่ายาวัตติยกะ นิสรณียะเรื่องภิกษุณีจันทากาลีจบ